ทีนี้ต่อไปอีกว่าพระอรหันต์พระปุณณมัณฑนีบุตรเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยวิเวกเนี่ะเป็นผู้ที่มีวิเวกและบอกสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมคือความวิเวกพระปุณณอยู่ด้วยวิเวกเหล่าไหนคือกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวก กายวิเวกคืออะไรเดินเดินคนเดียวยืนคนเดียวนั่นคนเดียวนอนคนเดียวบินทบาทคนเดียวกลับจากบินทบาทคนเดียวเดินจงกรมคนเดียวเที่ยวไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่รูปเดียวนี้เรียกว่ากายวิเวกถือเอาคนเดียวเป็นหลักเนี่ยนะส่วนจิตวิเวกก็คือสมาบัติ8สมาบัติ8ชื่อว่าจิตตวิเวกเนี่ยนะสงัดจากอะไรสงัดจากนิวรด้วย ปฐมฌานสงัดจากวิตกวิจารด้วยทุติยฌานสงัดจากปีติด้วย ต, ตัตยยฌานสงัดจากสุขเป็นต้นด้วยจตุทฌานสงัดจากกามาวจรและรูปาวจรด้วยอรูปฌานนะสงัดจากอากาสารัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะสงัดไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าจิตตะวิเวกเลยเรียกว่าสมาบัติแปเป็นจิตตะวิเวก ส่วนพระนิพพานชื่อว่าอุปทิวิเวกเพราะอะไรเพราะพระนินน ans, พพา น, านพ้นจากอุปทิคือข <manifestations. S 1> ันธูปทิพระนิพพาน goodbye, พ, พ้นจากขันพระนิพพาน fir, พ้นจากตันหูปทิพ้นจากตันหาพระนิพพากิเลสูปทิพ้นจากกิเลสและก็พ้นจากอภิสังขารทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงชื่อว่าเป็นอุปทิวิเวกดังที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธาหรือใน นิเทศว่ากายวิเวกสําหรับบุคคลผู้ปลี่กายยินดีอยู่ในเนคขมมะคือกุศลธรรมทั้งหลายอุปทิวิเวกเนี่ยนะเออเข้าไปจิตตวิเวกสําหรับบุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์มีจิตผ่องแผ้วอย่างยิ่งอุปทิวิเวกสําหรับผู้ที่ปราศจากอุปธิเข้าถึงวิสังขารคือพระนิพานพระนิพานเนี่ยเป็นวิสังขารเพราะดับสังขารทุกชนิด ถามว่าอ้าวแล้วการคลุกคลีกันมันเกิดอะไรเดี๋ยวต่อไปจะกล่าวถึงว่าโทษของการคลุกคลีเนี่ยนะเพราะว่ากายวิเวกเนี่ยเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมมากการคลุกคลีนี้ไม่เป็นการเกื้อกูลต่อกุศลธรรมเลยเนียนะกายวิเวกจิตวิเวกแล้วก็อุปทิวเวกนะสงัดจากบุคคลทั้งหลายก่อนสงัดจากสัตว์และสังขารสงกัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็สงบสงกัดจากวัตตะทั้งปวงเนี่ยนะ พระปุณณะเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีกายาวิเวกจิตวิเวกตรัสรู้อุปธิวิเวกท่านก็บอกกล่าวแนะนำโอวา่าสั่งสอนผู้อื่นให้มีกายาวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกเนี่ยนะนี่เป็นคาถาวัตถุข้อที่3เนี่ยนะก็ผ่านไปแล้วมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีอ่ขอขออภัยมักน้อยสันโดษวิเวก นี้ต่อไปก็คืออสังสัทธะก็คือเว้นจากการคลุกคลี5อย่างปกติการคลุกคลีนี้มี5อย่าง 1. คลุกคลีโดยการฟัง 2. การเห็น 3. การพูดคุย 4. การบริโภคเข้าของร่วมกันแล้วก็ 5. การคลุกคลีด้วยการการจับต้องเป็นต้นอันดับแรกการคลุกคลี5อย่างเนี่ยนะก็คือภิกษุในทามิใ น, นนี้ ตรงนี้ยกพิเศษเลยนะถ้าถ้าเป็นเรื่องของพระพิสุก็ยกเดี่ยวกับเรื่องของเพศทั้งหลายเนยนะเรื่องเพศตรงข้ามแต่ถ้าเป็นของคริสตจก็การคลุกคลีด้วยการพูดการเห็นการพูดคุยกันแล้วมันอะเนี่ยคนถ้าถ้าเจอกันน่าจะคุยอะไรอ๋อคิดว่าคุยกับสนทนากถาวัตถุสิบไหมอ่าเมื่อเจอหน้ากันนะเรามานั่งคุยเรื่องมักน้อยกันดีกว่าคุยเรื่องการสันโดษเรื่องการไม่คลุกคลีเรื่องการปรารบความเพียนเรื่องวิเวก มาสนทนาเรื่องศีลสมมาสมาธิปัญญาวิมุตติยานุทัศนะเป็นต้นไม้บอกไม่อันดับแรกเริ่มมูสากันก่อนแล้น่ยนะหลอกกันไปหลอกกันมาก่อนเนี่ยนะอันธอที่สองเหน็บคนนี้ว่าคนโน้นกระแตะคนนี้ทีจิ้มคนนั้นทิมคนนี้เอาไปเรื่อยใช่ไหมอันนั้นเป็นอะไรสอเสียดแล้วก็เริ่มสอเสียดบ้างเสียดสีบ้างเนี่ยนะทั้งสอเสียดทั้งเสียดสีสลับพระเข้ากันไปเอาไปเอามาเสียดกันไปเสียดกันมามากๆเขาก็เลยด่ากันส่งเลยเนี่ยนะ ก็ด่ากันส่งกระเพอเจอหัวเราะร้องให้ร้องรําทำเลงอับมดไปอีกวันหนึ่งอันนี้ก็คือเมื่อเกี่ยวข้องการคลุกคลีกันโดยมากก็ร่วมกันทําทุจริตกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่รับอกุสลวิบากยังรับเป็นฟุงฟ่งๆเหมือนกันรับเป็นพวกๆเนี่ยนะรับเป็นพวกๆเนีเพราะฉะนั้นก็อกุสรธรรมทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากการคลุกคลีกันเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่ามีการคลุกคลีกัน ยังยกตัวอย่างในสวนาสังสักคะสำหรับภิกษุทั้งหลาย ท, ที่เป็นการคลุกคลีด้วยการเห็นบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ฟังมาว่าผู้หญิงบ้านโ น, น้นหรือหญิงสาวบ้านตำบล น, นั้นงามหน้าชมสดใสมีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่งเธอฟังเรื่องนั้นแล้วก็สยบซึมเศร้าไม่อาจสืบพรหมจรรย์คือศีลสมถวิปัสนาต่อไปได้เอาไม่คาว่าไม่เอาออกนะ ไม่อาจสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้ลาศิกขาสึกไปเลยเนี่ยนะเมื่อเธอได้ฟังคนอื่นเขาพูดถึงรู ป, ปรสมบัติเป็นต้นหรือได้ฟังเสียงหัหเราอด้วยตนเกิดราาือคะด้วยโสตะวิญญาณวิถีนี้เรียกว่าสวนะสังสักคะเนี่ยนะคือได้ฟังคนอื่นเขายกย่องความสวยความงามเนี่ยน ะ, ะบางคนเนี่ยพอได้ฟังจบสึกเลยก็มีสวนะสังสัคฆะนั้นพึงทราบ โดยอำนาจพระโพธิสัตว์ผู้ไม่เคยได้กลิ่นหญิงนะพอได้นะคิดว่าอนิทอ น, นิทคันตกุมารเนี่ยนะก็แปลว่าไม่อยู่ใกล้ผู้หญิงเลยวนะ่านั้นในที่สุดก็มกมุนมากหรืออีกเรื่องหนึ่งพระติสสหนุ่มผู้อยู่ในถ้ำปัดจักรละเรื่องราวของพิสูจ น, นุ่มติดสามีอยู่ว่าภิกษูจ น, นุ่มเนี่ยนะเหาะไปหมายความว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติสมะถะเป็นต้นเนี่ยจนได้ฌานพอได้ฌานตอนหลังนี่ก็เหาะ พอไปก็ได้ยินเสียงลูกสาวช่างทองของชาวบ้านคิริคามไปสาประโทมกับเพื่อนสาวห้าคนอาบน้ําประดับดอกบวกัวขับร้องด้วยเสียงอันไพเราะถูกการมราคะเสียบเอาในที่สุดฌานก็เสื่อมเมื่อฌานเสื่อมไปไหนมันก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตก็เลยลาสึกสึกขาลาเพศไปเลยพอทีนี้ถามว่าการสึกขาลาเพศเนี่ยถือว่าสูญเสียมากไหมถ้าตั้งคําถามนะสูญเสียมากไหม ก็บอกว่าเป็นคนแทบจะสูญเสียอริยทรัพย์ทั้งมวลไม่เหลือเลยเนี่ยนะอย่างเช่นศรัทธาที่เคยมีต่อพระพุทธเจ้า ก, ก็แทบไม่เหลือเลยเนี่ยนะก็สังเกตดูคนที่ศึกศึกไปเนี่ยเรียนธรรมะกันกี่คนนะของเราเนี่ยคนที่เคยบวชมาเนี่ยนะบรมรัตน์เคยบวชมาก่อนไหมไม่เคยใช่ไหมแต่ถ้าบวชไม่รู้จะมาน่งเรียนธรรมะหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะมานะเมียนะนเกไปไหนแะ้วนะ คือคนที่ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยพอศึกเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เอาศิกขาเลยนะไม่สนใจศีลสิคขาจิตศิคขาแล้วก็ปัญญาศิคขาโดยมากแล้วน้อยมากเนี่ยนะคือถามว่ามีไหมมีผู้ชายไทยส่วนใหญ่บวชมาท้งนั้นแล้วถามว่าผู้ชายมาศึกผู้ชายไทยศึกษาธรรมะเยอะไหมบอกทุกงานมีผู้หญิงเกือบทั้งหมดเลยเนะี่ยนะโอยบางงานนี่มีถึง5คนนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะยังมากมีคนหัวหน้าอุบาสกอยู่คนหนึ่งอะนะ หนักๆเข้าตอนหลังผู้หญิงชักไม่งอแล้วเป็นหัวหน้าอุบาสิกาพาสวดเองละกันเนี่ยนะนะชักเยอะแล้วไม่งอผู้ชายละไม่ระภาสวดก็ไม่สวดล้สวดเองก็ได้นะก็เป็นอย่างเงี้ยตอนหลังก็ชักก็เลยฟังอ่ะนะว่าถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกไหมนางฟ้าหารอยพันหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจผิดหรอกมันเป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะนะเพราะน่ะกลุ่มผู้ที่เสขาลาเพศไปนั้นจึงเสื่อมจากศีลเสื่อมจากสมถะแล้วก็เสื่อมจาก วิปัสสนาเนี่ยนะไปที่ไหนบอกไปสฟังธรรมะเธอบอกว่าเธอไปเธอฉันเรียนมาหมดแล้วเนี่ยนะขาคลึกคลีอยู่กับอกุศลตามเดิมต่อไปไม่ใช่น้อยปริมาณจำนวนมากเป็นในลักษณะนั้นกลับไม่ค่อยขวนขวายเลยเพราะการสขาลาเพศสำหรับผู้ที่มีโอกาสบวชเข้ามานั้นเนี่ยนะ เ, เป็นความเสียหายค่อนข้างสูงเสื่อมจากอริยศีลเสื่อมจากสมถะแล วิปัสนาเสื่อมจากปาติโมขสังวนอินทรียสังวนโภชนเนมตัญยุตาฉาคริยานุโยคเสื่อมจากสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวาวาญามัสติสมาธิเสื่อมค่อนข้างเสื่อมมากจริงๆเสื่อมจากพระสูตรพระวินยัยพระพิธรรมนะสรุปว่าเสื่อมจากการประพฤติดีและปฏิบัติชอบก็แปลว่าแทบจะเสื่อมจากมรรคผลนิพพานมันผู้ที่ศึกษาลาเพศไปแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ย มีไหมบอกมีแต่ปริมาณจํานวนไม่มากเนี่ยนะปริมาณจํานวนไม่มากเพราะฉะนั้นโอกาสของผู้ที่สุขาลาเพศไปยเนี่ยนะเขาบอกว่าขนาดบวชอยู่ในสมณะเพศยังเจริญกุศลธรรมได้น้อยเนี่ยนะยังเจริญน้อยจกะกล่าวไปยัยเมื่อเป็นคารวะไปแล้วเนี่ยนะยมก็มาบ่นให้ฟังประจําบอกโอ้ยกิดมากทุระมากเนี่ยนะมันยุ่งจริงๆมันยากจริงๆเลยเนี่ยนะก็ต้องมาบวชห้บวชมาตั้งร้ายปีมีเห็นบวชสักทีนะ นายแต่บ่นไปงั้นแหละเพื่อพระจะเห็นใจเอาพระก็รับฟังได้ใช่ไหมจะไปว่าอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้อันนั้นคลุกคลีด้วยการฟังนะทีนี้คลุกคลีด้วยการเห็นบ้างภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ยินเสียงแต่ตัวเองเนี่ยไปเห็นไปเห็นคนที่ตัวเองชอบเข้านี่นะเป็นคนที่น่าชื่นชมสดใสมีผิวพรรณงดงามอย่างยิ่งเธอเห็นแล้วก็สยบซึมเศร้าไม่อาจพรหมจรรตต่อไป ไม่อาจจะสืบทอดพรหมจารคืออธิสีนอธิจิตอธิปัญญาให้เป็นไปต่อไปได้ก็ลาสึกขาศึกเลยเมื่อเธอเพราะอะไรเพราะดูแลรูปที่เป็นฆ่าศึกอย่างนี้อันนี้ราคาที่มาจากจักขุทวารหรือจักรุวิญญาณวิถีอันนะอันแรกเป็นราคาที่เกิดจากโสตทวารวิถีเรียกว่ากรแสตันหาที่มาจากทวาร โอข้อ 2. กระแสตันหาที่มาจากทวารตาเนี่ยนะพอกระแสตันหาพอตันหาเข้าเท่านั้นแหละอธิศีลเหลือไหมอธิจิตเหลือไหมอธิปัญญาเหลือไหมสมถะและวิปัสนาเป็นต้นสืบต่อไปได้ไหมศรัทธาเจริญไหมสติปัฏฐานเจริญต่อไปไหมสัมมาปัฏฐานอิธิบาตอินทรพละพร ะ, ระชงองค์มรรคเจริญต่อไปได้ไหมบุญญักเกิยรยวัตถุทั้งหลายเนี่ย ตามมาไหมเป็นต้นเพราะฉะนั้นราคาที่มาจากทวารต่างๆเนี่ยเป็นเหตุให้ทําลายอะไรทําลายพรหมจันทร์การประพฤติอันประเสริฐคือศีลทําลายทั้งาศาสนาพรหมจันทร์คืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาถ้าทําลายาศาสนาพรหมจันทร์แล้วมรรคพรหมจันทร์คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดจะเหลือไหมก็ยากแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นราคาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ค่าเนี่ยนะ ราคาที่มาจากทาวารตาก็ค่าสิกขาสามที่อยู่ในใจราคาที่มาจากทาวานหูก็ค่าสิกขาสามที่อยู่ในใจอันนี้เรียกเป็นอะไรสวนาสังสักะและทัศนสังสักะส่วนการเกี่ยวกับเรื่องการเห็นเห็นเนี่ยเามีตัวอย่างเล่าว่าพิูุ่นมรูปหนึ่งไปยังทูระวิหารใกล้เบงกาลทีฆะ ทีนี้ก็ไปเป็นวัดที่อยู่ค่อนข้างอยู่ไกลพอสมควรเนี่ยนะก็ไปเพื่อจะไปเรียนรายเรียนอุเทศคืคอพระไตรปิฎกอาจารย์นี่เห็นอันตรายของท่านไม่ให้โอกาสอาจารย์นี่เป็นอาจารย์ที่ที่รู้อนาคตมองเห็นหน้าปั๊บนี่รู้เลยว่าองค์นี้ไม่รอดเนี่ยนะพอรู้ว่าไม่รอดทําไงก็ไม่รับสิไม่ยอมรับก็เลยไม่เปิดโอกาสเพื่อที่จะรับลูกศิษย์คนนี้เข้ามาศึกษาในสํานักของตน เธอก็พยายามตามไปอาจารย์ก็กล่าวว่ามีข้อแม้อสอนพระไตรปิฎกให้ได้แต่มีข้อแม้หนึ่งข้อเธ อ, อเธอต้องไม่ไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นห้ามพิเศษห้ามเข้าหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านถ้ารับกติกาตัวนี้ได้เราก็จะสอนอุเทศคือสอนพระไตรปิฎกให้เธอก็รับคาอยากเรียนมากรับหมดเชื่อเนี่ยนะกติกาอะไรตั้งมาเธอคนที่อยากได้นี่มันยอมหมดอ่ะเมื่อเรียนจบ ในเรื่องหนึ่งแล้วนะไอ้ก่อนเข้ากับหลังจบเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมพอหลังจบมาปั๊บไหวอาจารย์คิดว่าทําไมอาจารย์ไม่ให้เราเที่ยวไปในบ้านนี้ทําไมนาะมันอยากจะลองดูตอนนี้ไม่ต้องง้ออาจารย์เลยจบแล้วไม่ต้องแล้วก็เลยไปชมชีวอนทีนี้กุลธิดาคนหนึ่งนุ่งผ้าสีเหลืองยืนที่เรือนเห็นภิกษุนมก็เกิดราคะเข้าปกติก็เป็นเป็นหญิงสาวที่ใส่บาตรประจำนะแต่ว่าไม่ได้ใส่บาตร ท, ทั่วไปแหละวัวงนั้นเถอะ เสร็จแล้วก็เอากระบวยเข้าวต้มเนี่ยใส่ลงไปในบาตรก็กลับมานอนบนเตียงเลยพ่อแม่ก็ไปถามว่าอะไรกันลูกกุลธิดานั้นก็ตอบว่าถ้าฉันได้พิสูนหนมที่ไปทางประตูจะมีชีวิตอยู่ได้เมื่อไม่ได้ก็ตาย น, นะก็เป็นเอามากกันนะมารดาบิดาก็รีบไปพบพิสูนหนมเนี่ยนะที่ประตูบ้านว่าแล้วก็บอกว่ากลับไปเถิดโปรดรับทิศาเนี่ยนะนิมนต์ไปฉันที่บ้าน พิสุนมก็บอกก็พอแล้วโยมจะไปแล้วมารดาบิดาก็อ้อนวอนว่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านในเรือนของเราเนี่ยมีซับอยู่เท่านี้เรามีลูกสาวอยู่คนเดียวเท่านั้นท่านมาเป็นลูกชายคนโตของเราเถิดท่านก็สามารถอยู่อย่างสบายพิกสุนมงกก็ตอบว่าฉันไม่ต้องการกังวลอย่างนี้ไม่ใ ย, ยดีแล้วก็จากไปมารดาบิดาก็กลับไปบอกลูกสาวว่าลูกพ่อแม่ไม่อาจจะนําพิกษุนมงกกลับมาได้ เลือกสามีอื่นที่เจ้าต้องการเถิดลุกขึ้นนะแล้วก็ลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ำเถิดกุลธิดานั้นก็ไม่ปรารถนาอดข้าวประท้วงเจ็ดวันตายเนยน ะ, ะมารดาบิดาก็ทำชาปนากิจเผาเนี่ยนะตายแล้วทำห้จะรักขนาดไหนก็เผากันละเมื่อเผาเสร็จก็เอาผ้าสีเหลืองนั้นไปผ้าสีเหลืองที่นางนุ่งหมนั้นแหละไปถวายในแก่พิสุสงในธุราวิหาร ภิกษุทั้งหลายก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบ่งๆกันตายนะไปถวายแก่ภิกษุภิกษุแก่รูปหนึ่งก็รับส่วนของตนไปยภิกษุแก่รูปนั้นก็มายัางกัลยาณวิหารแสดงวัดกัลยาณีใช่วัดกัลยาณีวัดกัลยาณวิหารนั่นแหละภิกษุหนุ่มแม้นั้นก็คิดจะไปไหว้พระเจดีย์ก็ที่ไปที่วัดกัลยาณวิหารว่าวัดกัลยาวิหารเนี่ยมีเจดีย์ใช่ไหมที่เราไปสวดชาชกสูตรกันนั่นแหล ะ, ละวัดนั้ น, นไปนั่งพักกลางวัน